เสียงที่น่าปรารถนาเหมือนกันนะกลิ่นที่หน้าปราถนารสที่น่าปราถนาโพธิภาพที่น่าปราถน า, ร า, น า, ร า, ธ, นาธรรมมรมที่น่าปรารถนาเนี่ยที่จะพึงรู้แจ้งด้วยทวารต่างๆเนี่ยอันน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักอาศัยความใคร่ชวนให้กำนัดมีอยู่หาภิกษุพเลพเลินหมกมุ่นพัวพันธรรมมรมนั้นภิกษุนี้เรากล่าวว่าไปสู่ที่อยู่ของมารตกอยู่ในอำนาจของมาร ถูกมารนี่คล้องรัดมัดด้วยบ่วงภิกษุนั้นพึงถูกมารผู้มีบาปใช้บ่วงทำได้ตามความปรารถนานะอย่างสมุนะิตาธาเอาอย่างที่ถามคุณมลชูถ้าไปเห็นที่ดินแปลงหนึ่งที่มันรกร้างนะนึกชอบขึ้นมาเลยนะเห็นสีอนะันนั้นนึกชอบขึ้นมาเลยนะโอ้โหเราต้องมาทางนะโอ้โหมารที่อยู่ของมารเลยนะขันท้ามานี่ใช้บานเลยนะเหนื่อยเนะี่ยหมดเหนื่อไปหลายตุ่มเลยแหละ มันก็เน็ดเหน่วยทุกร้อนมาก น, นะมันถ้าไปชอบสีไหนก็บ่วงกันนั่นนะเข้ามาแล้วเห็นโยมคนหนึ่งเขาเช็ดรถล้างรถถูรถอยู่นั่นแหละนะอทําไมเขาขยันกันขนาดนั้นไม่ทราบนะเช็ดล้างถูเช็ดล้างถูเช็ดเช็ดล้างถูเช็ดเนี่ยวันหนึ่งร้อยครั้งเลยกันนะไม่รู้จักเบื่อหน่ายนะก็มีความสุขมากกับการเช็ดเนี่ยนะอย่างนี้นิดเป็นไหม <c oughs> สมัยคันใหมๆนะ่ๆเนี ตอนนี้ก็สักอาทิตย์หนึ่งก็ใหม่เป็นได้เห็นไดูปกติหมดทำไมแต่ตอนใหม่ๆแล้วไม่ได้เลยนะผู้การเป็นไหมเป็นมากเลยอ๋อเป็นมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ใช่อไหมคุณนายบง่บงหบมบนผมหน้าดูเลยผมไม่เคยจับเลยครับไม่เคยจับต่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เช็ดอย่างนั่นนะเชจ๊ต่นั่นนะหาผ้าไม่ดีมาเช็ดเดี๋ยวผมจะมีรอยอีกหมดนะไม่ชอบเลยอะ เลยออกไปก็ปื้ดอีกแล้วครับอก็ก็นี่แหละก็คือเลิกรักแล้วอนะแต่สมัยก่อนเนี่ยนะาจะออกไปทีก็เช็ดเนี่ยนะกลับมาก็เช็ดแล้วเก็บจะออกก็ปัดปัดแล้วก็ไปใหม่กลับมาก็เช็ดล้างแล้วก็เก็บอีกนะเนี่ยนี่เรียกว่าคนรักรถนั้นถูกรถใช้บานเนี่ยใครไม่เคยเช็ดลองไปเช็ดดูบ้างดครับว่าลองเจอไอ้รถอย่างผมอย่างคันบัลเลอร์มีอะไรนะเหนื่อยนะเรียบอกให้เหนื่อยนะ รถใช้เราเลยเราใช้รถก็ทั้งโคเลยไหแล้วบงคนน่โอ้โหแม้กระทั่งเอาลอ้อน่ยต้องขัดด้วยนะครอขัดไม่ได้ต้องมีแปรงประจาขัดล้อต่างหากนะแปรงประจำผ้านี่ก็ต้องมีหลายขนาดนะผ้าขนาดนี่ยผมมาเคยเช็ดรถมาแล้วนะโอ้นเนี่จะออกบ้านอีกแล้วเช็ดรถอีกแล้วเดือดร้อนอีกอนนกลับมาเนี่ฝนเต็มไปหมดกดเช็ดอีกแล้วล้างสีเช็ดอยู่นั่นนะ ว่าเช็ดเพราะว่างานมันพาไปนะไม่ใช่ว่าชอบอะไรไม่หรอกรถเช็ดไปก็ป่า น, นั้นเราก็ไม่ได้ไปนั่งอะไรกับเขาหรอก น, นะเราเช็ดเช็ให้เขาไปแต่ว่าแต่ว่าเจ้าของรถบางคันเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยะจะให้คนอื่นมาเช็ดให้ไม่ได้นะจะมีรอยขูดกลัวมีสีขูดนิดเดียวไม่ได้เลยต้องเช็ดเองหมดนะต้องหาผ้าอย่างดีด้วยนะผ้านุ่มๆมากมาเช็ดนะก็ต้องอซักผ้ายอย่างดีกว่าจะมาเช็ดมาถูมันได้ มันหาผ้าคลุมมาไว้อีกนนเนี่ย ก, ก็รถมันใช้อ่นะจนใช้รถด้วยรถชายด้วยก็กลับไปกลับมานะเพราะฉะนั้นก็ถูกมันคล้องเอาไว้นะถ้ารถมันไปเฉี่ยวไปเสียดไปสีอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยโอ้ยทะเลาะเลยนะยิ่งถ้าแบบรถใครมาชนมาเฉี่ยวด้วยนะโอ้โหมีเรื่องกันทันทีเลยนะเพราะเขาห่วงของเขามากอ่ะก็มีโยมอยู่ร้านเครื่องเสียงคนหนึ่งก็บอกว่า เขาเอาคือรถเขาก็ชอบรถมากอนะแล้วชอบเครื่องเสียงด้วยแล้วต้องติดเครื่องเสียงที่มันราคาเป็นแสนเนี่ยเป็นแสนขึ้นเนี่ยมาติดเครื่องเสียงทีนี้มันก็ต้องตัดในในตัวถังบางส่วนเนี่ยนะพอเห็นช่างตัดรถแก่นั้นร้องไห้เลยนะรถก็รักนะเครื่องเสียงก็จะเอาเ <c> น <oughs> ี่ยมันฮวงกันขนาดนั้นนะนะโอ้โหร้องไห้เลยแต่ว่าคนที่ไม่มีก็อาจจะไม่ร้องไห้นะไม่มีให้ร้องอะ่ะ ผันผู้ที่มีในสิ่งเ่านั้นๆเนี่ยนะถ้ามีหรือคนที่ไม่มีแต่ฝ่ายฝันที่จะมีเนี่ยนะก็ไม่ต่างอะไรกันนั่นนะร้องให้ให<ๆ>เพราะอยากได้<ๆ>ใช่ไหม <c oughs> ยอมกับเราว่าโอ้ยไปเห็นไปเห็นสมมติว่าขับผ่านร้านรถเนี่ยนะไปเห็นแล้วกลับมานอนไม่หลับเลยจนต้องไปซื้อมาจนได้เ <c oughs> อามีบางคนเนี่ยเป็นเอามากขนาดนั้น ไปเห็นมาเนี่ยโหกลับมาบ้านเนี่ยคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกในที่สุดก็ต้องถอยเอามาวิ่งจนได้นีรถไม่ได้ใช้นอืนไปใช้หมดน่อ ย, นนอย่างผมไม่ใช้รถพี่สาวผมพี่สาวผมไม่เคยใช้เลยซื้อให้ผใช้วิ่งไปวิ่งม า, างไม่ใช่รถผมรถพี่สาวแต่มีสาวไม่เคยใช้เลย <c oughs> ในข้อต่อไปนะข้อหนึ่งร้อยหกสิบหกตัดวาน ดูความพิสูจนทั้งหลายอันหนึ่งรูปที่พึงรู้แจ้งด้วยจากสุอันน้าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจน่ารักอาศัยความใครช่ชวนให้กำหนัดมีอยู่หากพิสูจน์ไม่เพลิดเพลินไม่สรรเสริญไม่หมกมุ่นไ ม, ไม่พัวพันรูปนั้นพิสูจนนี้เรากล่าวว่าไม่ไปสู่ที่อยู่ของมานไม่ตกอยู่ในอำนาจของมานไม่ถูกมารคล้องเป็นผู้พ้นจากบ่วงมารพิสูุนนั้นอันมารผู้มีบาป พึงนำบ่วงเนี่ยนะพึงใช้บ่วงทําตามความปรารถนาไม่ได้คือถ้าเราไม่มีฉั้นราคาในสิ่งนั้นเนี่ยนะสิ่งนั้นมันจะชักลากพาใจให้เราเดือดร้อนอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราไปมีความผูกพันชันทราคาในสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นเนี่ยจะพาพาเราให้เดือดร้อนอยู่ตลอดเนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราไปเห็นในรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมรมณที่น่าปรารถนาเนี่ยนะ คือสิ่งนั้นมันไม่ได้มีความมั่นคงถาวรใช่ไหมเพราะว่าผู้ที่ไปรับอิทธารมนี้ก็หน้าปราถนาะสิ่งเดียวกันไม่ได้เป็นอิทธารมตลอดไปเมื่อไม่เป็นอิทธารมตลอดไปเนี่ยนะก็เป็นที่ตั้งแห่งโทมานัสไม่ใช่น้อยก็ไปสู่ที่อยู่ของมารเนี่ยนะนีมารเขาทำตามใจได้ทำยังไงอ่ะก็เดือดร้อนสิแต่ถ้าหากว่าผู้ที่ไม่ไปผูกพันไม่ไปผูกพันในที่นี้หมายถึงขนาดไหน หมายถึงว่าตัดฉันนราคาในวัตถุนั้นๆได้แล้วเนี่ยนะจึงจะเรียกว่าผู้ไม่ตกอยู่ในอำนาจมารไม่ไปสู่ที่อยู่มารไม่ถูกมาครคล้องเนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่พ้นจากบ่วงมารอย่างแท้จริงเนี่ยนะก็คือผู้ที่ตัดฉันนราคาในอารมณ์ทั้งมวลได้แล้วนั่นเองส่วนในสูตรที่สองเนี่ยนะแตกต่างกันอยู่นิดเดียวประโยคว่า ขัวพันอยู่ในรูปไปสู่ที่อยู่ของมารเนี่ยนะเสียงเปลี่นรสโพธิภะก็นะัยเดียวกันต่างกันนิดเดียวนะส่วนอื่นๆไม่มีความต่างกับสูตรที่กล่าวไปมาขึ้นประทโลกกามคุณสูตรเลยนะข้อ9กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวว่าที่สุดของโลกอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไป อันนี้หมายถึงจักรวาลเนี่ยนะจักรวาล น, นี้ไม่มีใครเนี่ยไปแล้วให้มันสุดได้ไม่มีเพราะอะไรเพราะถือว่าโอ้โหเดินข้ามคารวาลเก้าหนึ่งเนี่ยนะข้ามสมุดฝั่งนี้ถึงฝั่งโน้นช่วงหนึ่งเก้าเนี่ยนะเดินอย่างเงี้ยร้อยปีเลยอะ่ะไม่มีสุดเพราะอะไรเพราะว่าสังขารโลกเนี่ยนะมันไม่มีที่สิ้นสุดอะ่ะจักรวาล น, นี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะ ใครถ้าจะไปให้พ้นวางวนแห่งเรียกว่าจั ก, กราวาลเนี่ยไม่มีพระองคบอกว่าที่สุดของโลกคือจั ก, กราวาลเนี่ยอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไปเนี่ยไม่มีคือพระองค์ไม่กล่าวอย่างนั้นว่าใครจะมีใครไปสุดไปพ้นเนี่ยนะทีนี้เปลี่ยนโลกใหม่แล้วนะและเรายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกคือสังขารโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทําที่สุดแห่งทุกข์ คือแปลว่าถ้าใครไม่ถึงที่สุดแห่งสังขาระโลกเนี่ยนะไม่พระองค์ไม่บอกว่าถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วถ้าไม่พ้นไม่ทําที่สุดแห่งสังขาระโลกที่สุดแห่งสังขาระโลกเนี่ยที่ไหนนิพพานใช่ไหมซึ่งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยนะตรัสโดยย่ออย่างนี้พระองค์ก็ลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปสู่พระวิหาร ไอ้คำม ล, ลุกขึ้นอันนี้ปแปลว่าไม่ได้พระองค์เนี่ยสเทศพูดอย่างนี้จบพระองค์ก็เดินทงทงไปนะไม่ใช่หมายถึงว่าพระองค์ก็หายพระองค์แวบไปตรัสอยู่เท่านี้แล้วก็หายไปพระภิกษุก็เลยพากันกล่าวว่าดูก่อนนะภิกษทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศข้อนี้แก่เราทั้งหลายโดยย่อไม่ทรงจําแนกเนื้อความให้พิสดาร สเสด็จลุกขึ้นจากพุทธาอาฏเข้าไปสู่พระวิหารใครเนาะจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศ ท, ที่ทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดานนี้โดยพิสดานได้ลําดับนั้นท่านเหล่านั้นก็คิดกันว่าท่านพระอานนท์นี้พระาศาสดาและเพื่อนสัพพมจารีผู้เป็นปราฏยกย่องสรรเสริญอันนะคือพระพุทธเจ้านี้สรรเสริญพระอานนท์โดยเ e. อตทัทธฆาห์ห้าแหน่งค่ะ แลอะอัจฉริยะอภูตธรรมอีกสพระพุทธเจ้ายกย่องพระอานนท์มากเพื่อนสัพพรมจารีอย่างพระสารีบุตรเนี่ยชมพระอนนท์มากว่าเป็นผู้มีสติมีปัญญามากะนะพระสารีบุตรเนี่ยชมพระอนนท์มากทั้งท่านเนี่ยย่อมสามารถเพื่อจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่ทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดาร น, นี้โดยพิสดารได้ถ้าใครเราพึงเข้าไปหาท่านพระอนนท์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความข้อนั้นกะท่านอานนท์เถิด ทีนี้พิสูจเหล่านั้นก็เข้าไปแล้วก็ไปเล่าเนื้อความให้กับท่านท่านนลฟังทูกประการท่านท่านนลก็กล่าวตอบว่าด้ก่อนอาบูโสทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่กลับล่วงเลยรากล่วงเลยลำต้นแห่งต้นไม้มีแก่นต้นใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เฉพาะหน้าไปเสียมาสําคัญแก่นไม้ที่จะพึงสแสวงหาได้ที่กิ่งและใบฉันใดในคําอุปมานี้ก็ฉันนั้นคือ พวกท่านล่วงเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประทับอยู่เฉพาะหน้าในฐานะเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายไปเสียมาสำคัญเนื้อความที่จะตต่ถามนี้แท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อทรงทราบย่อมทราบเมื่อทรงเห็นย่อมเห็นพระองค์เป็นผู้มีพระจักสุขมีพระยานมีธรรมะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทาเนื้อความให้ตื้นเป็นผู้ให้อมตธรรม เป็นเจ้าของแห่งธรรมะเป็นผู้ถึงธรรมะที่แท้เวลานี้เป็นกาละสมควรที่จะทูลถามเนื้อความข้อนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เนี่ยทรงแก้ปัญหาแก่ท่านทั้งหลายอย่างใดท่านทั้งหลายพึงทรงจำความข้อนั้นไว้อย่างนั้นเถิดเนี่ยนก็ท่านเปรียบเทียบเลยนะว่าพระผู้มีพระภาคเป็นไม้แก่นอย่างแท้จริงท่านโอประมาตัวท่านเองเหมือนกับอะไรกิ่งและใบเนะี่ยน มีอย่างที่ที่หนึ่งเนี่ยนะสมัยที่สรารธดาบทคืออดีตชาติของภาษาฤาษีบทเนี่ยนะภาษาฤาษีบทนี่เมื่อสักหนึ่งอสงไขยแสนกับที่แล้วเนี่ยท่านไปเจริญสมณะธรรมเนี่ยตอนท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเอ่อตอนท่านตอนนั้นยังไม่ได้รับพุทธภรรยกรท่านเกิดในตระกูลเศรษฐีพรามมหาสารเนี่ยนะท่านก็ออกบทออกบวชเป็นฤาษีพอออกบชเป็นฤาษีปฏิบัติอยู่ไม่นานก็ได้อภิญญาห้าสบาบัติ8เก่งมาก มีลูกศิษย์เนี่ยเป็นหมื่นแล้วก็สอนให้ทุกคนมีสมาบัติหมดเหาะได้กันหมดทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ท่านเนี่ยนะลูกศิษย์เนี่ยเป็นหมื่นๆนะทีนี้มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีเนี่ยเสด็จไปภาษาบุตรที่เป็นสารธาดาบทเนี่ยก็อุปทาคต้อนรับกราบไหว้พระผู้มีพระภาคพนามว่าอนุมัตสีเนี่ยมากเคารพพระพุทธเจ้าเนี่ยมาก ลูกศิษย์เนี่ยไปหาผลไม้เหาะกลับมาเห็นอาจารย์โอ้โหทำไมอาจารย์เราเนี่ยไปเคารพพระพุทธไปเคารพบุคคล น, นั้นเหลือเกินเนี่ยนะก็ไปพูดกับอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ผมคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนะบุรุษนี้เห็นจะเป็นใหญ่กว่าอาจารย์แน่เพราะอาจารย์เขาไปเคารพ ไ, ไปกราบไหวสารทธาดาบทก็บอกโอ้ยอย่าเอาเราเนี่ยที่เปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พกาศ ไปเปรียบกับพระพุทธเจ้าซึ่งเหมือนกับขุนเขาซีเนรุเลยเนี่ยนะคือท่านใ ห, ใ, หให้ให้ตัวของท่านนะค่าตัวของท่านเนี่ยที่ได้อภิน ญ, ญาห้าสมาบัติแต่เท่ากับเมล็ดพันธะกาัดเมล็ดพันธะกาัดไม่ได้ใหญ่อะไรนะเล็กกว่าเมล็ดงายไหมเมล็ดพันธะกาัดกับเมล็ดผักขมต่างกันตรงไหนเท่าเทกันนิดเดียวนะผงดำๆนิดเดียวจุดเล็กนิดเดียว่เขาซีเนรุเนี่ยนะซึ่งใหญ่มากอ่าสูง สมนว้นว่า8ปดหมื่นพันโยต์เนี่ยนะกว้างใหญ่ไพาศาลยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยซึ่งห่างมากนั้นกรนั้นว่าผู้ที่ได้อภิญญาหสมาบัตแปเนี่ยยังเปรียบตัวเองไม่เล็กน้อยต่ําต้อยจริงๆเลยนะนั้นถ้าเปรียบแบบเราๆทั้งหลายเนี่ยจะขนาดไหนมันพระน น, นท่านจึงยกย่องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างอย่างจริงๆอย่างอย่างยิ่งใหญ่เพราะวะ่าเพราะว่าเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่จริงๆอัานนัพิสูจเหล่านั้นท่านก็ยอมรับนะ ว่าทนโนุข้อที่ท่านว่านั้นนเป็นการถูกต้องแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงทราบย่อมทราบเมื่อทรงเห็นย่อมเห็นพระองค์เป็นผู้มีพระจักสุมีพระยานมีธรรมะเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทํำเนื้อความให้ตื้นเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรมตรงนี้บอกชัดเจนนะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของแห่งธรรมเนี่ยนะ เป็นผู้ถึงธรรมะที่แท้เวลานี้เป็นกาละสมควรที่จะทูลถามเนื้อความข้อนั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงแก้ปัญหาแก่พวกเราอย่างไดพวกเราเนี่ยควรทรงจําความข้อนั้นไว้อย่างนั้นก็แต่ว่าท่านพระนรเนี่ยก็เป็นผู้ที่พระาศาสดาและเพื่อนสัพพรมจารีผู้เป็นปรายศน์ยกย่องสรรเสริญทั้งท่านก็สา ม, มารถจะจําแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อ ไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดาร น, นี้โดยพิสดารได้ขอท่านอย่าได้หนักใจโปรดช่วยจำแนกเนื้อความที่เธอดนีย่ย ข, ขอร้องนะที่ว่าอย่านักใจเลยซึ่งพระนลนก็กล่าวว่าอาวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสําคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยทาอันใดทาอันนี้เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยะ คือสิ่งใดที่เข้าไปสำคัญนะสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในวินัยนี่นะคือในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งตัณหานะอารมณ์ใดเป็นที่ตั้งแห่งความแห่งตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยสิ่งนั้นแหละเรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยะอะไรก็ได้แต่ตรงนี้ท่านก็ยกมาเป็นตัวอย่างว่าอาวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยธรรมะอะไรเล่าอาวุโสทั้งหลาย บุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยตาด้วยหูด้วยจมกูกด้วยลิ้นด้วยกายด้วยใจเนะพจราะสิ่งนี้สัตว์ทั้งหลายที่เข้าไปสำคัญยึดถือด้วยอำนาจตันหาว่าว่าเป็นโลกเนี่ยนะซึ่งเป็นโลกในวินัยของพระอริยะหมายถึงตาหูจมกูกลิ้นกายใจอาวุโสทั้งหลายบุคคลย่อมมีความสำคัญในโลกว่าโลกถือว่าโลกด้วยธรรมะอันใดธรรมะนี้เรียกว่าโลกในวินัยของพระอริยะ นะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเรียกว่าโลกคาว่าโลกโลกะโลกะแปลว่าอะไรนะแตกสลายแตกทําลายในชะ่ไหมเพราะแตกสลายแตกทําลายสิ่งนั้นเลยเรียกว่าโลกเนี่ยนะอาวุโสทั้งหลายข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอุเทศโดยย่อไม่ทรงจําแนกเนื้อความให้พิสดารเราไม่ได้กล่าวว่าที่สุดของโลกอันนี้คือจักรวาลเนี่ยนะอันบุคคลพึงรู้พึงเห็นพึงถึงด้วยการไป หมายถึงที่ทไหนปฐมโรหิตสูตรนะอังคุตรนิกายจตุกานิบาศเนี่ยกล่าวชี้ชัดเรื่องนี้ไว้ไว้ชัดเจนมากและเรากล่าวว่ายังไม่ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วย่อมไม่กล่าวการกระทําที่สุดแห่งทุกเนี่ยนะไม่ถึงที่สุดแห่งสังขารโลกคือพระนิพพานเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าถึงที่สุดแห่งทุกอย่างแท้จริงพราะนันคำว่าโลกในวินัยของพระอริยะก็คือโลกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ในกะเลวระอันเนี้ยประกอบด้วย มีความยาวเท่าไหร่วาหนึ่งนะหนาคืบกว้างสอหนึ่งมีสัญญาและมีใจครองที่สุดแห่งโลกมันอยู่ตรงนี้แหละทำยังไงอะ่ะเพราะอันนี้คือโลกโลกหมายถึงสังขารขันเนี่ยนะโลกสังขารขันนี่มีเหตุเป็นแดนเกิดคือสมทุทัยโลกโลกกับสมุทัยอีกสับหนึ่งคือโลกกับนิโรธและโล ก, กะนิโรธขามินีปฏิปทา โลกพระพุทธเจ้าทำปริญญาหมดแล้วโลกสมุทัยนิพงละหมดแล้วโลกกั น, นิโรธพระองค์ทำให้แจ้งแล้วโลกปณิโรธถาคาเมนีปฏิปทาเนี่ยพระองค์บำเพ็ญปฏิบัติจนเพียบพร้อมบริบูรณ์นันพระพุทธเจ้าจึงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งโลกสัตว์ทั้งหลายถ้าปรารถนาที่จะถึงที่สุดแห่งโลกก็พึงปฏิบัติเช่นกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเอาโลกคือตาหูจมูกเลนก า, ายใจนี่มาทำปริญญาเพื่อตัดฉันทราคะ ในตาหูจมกูกเลนกายใจผู้ที่ตัดฉันธราค่าในตาหูจมูกิ้นกายใจผู้นั้นจัดถึงที่สุดแห่งโลกด้วยข้อปฏิบัติคือกำหนดรู้โลกแล้วตัดฉันธราค่าในโลกเสียอันนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติอนนันทางอื่นไม่มีเนะนี่ยตกลงจะให้ทำยังไงกันเ <c oughs> อ่าบอกโอ้ผู้จบแล้วท่านบอกข้อปฏิบัติทีทำยังไงข <c oughs> อ, อมานี่งงเลย ยอมแพ้และวอีกสูตรหนึ่งเลยนะยทุติยะโลกาตามะคุณสูตรดูความพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อก่อนตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตรกว่าเบนจาการมะคุณของเราที่เคยสัมผัสด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้ว นนะคือคือสิ่งที่พระ อ, องค์ได้เคยสัมผัสนะ น, นะก็หมายถึงชีวิตที่เคยเป็นคารวาสเนี่ยนะการมคุณห้าที่เคยได้สวยเมื่อเป็นคารวาสจิตของเราเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในเบญจากามคุณที่เป็นปัจจุบันมากกว่าอันไหนเบญจากามคุณในปัจจุบันก็คือตอนที่ออกบวชมาก็เห็นอะไรต้นไม้ใบหญ้าภูเขาลำเนาไพรทั้งหลายเนี่ยคือที่พระ อ, องค์เห็นในปัจจุบันใช่ไหมาการมาคุณห้าในปัจจุบัน ส่วนการมคุณห้าที่เป็นอนาคตคืออะไรคือโน่นน่ยพบหน้านะระษีอาญจะมาตรัสรู้มีพระเจ้าจากักรพรรดิพนามว่าพระเจ้าสังขะเป็นต้นเนี่ยก็คือในเรียกว่ากามคุณในในอนาคตเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเอาจิตเนี่ยไปคิดเรื่องกามคุณที่เป็นอนาคตเนี่ยน้อยมาก น, นะถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยน้อยมากลําดับนั้นเราคิดว่าเบนจะการมคุณของเราที่เราเคยสัมผัส มาด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วเราปรารถนาประโยชน์แก่ตนพึงทำความไม่ประมาทในเบญจกามคุณนั้นและสติให้เป็นเครื่องรักษาจิตนนะเพราะอะไรเพราะประโยชน์ปรารถนาประโยชน์แก่ตนประโยชน์ตนนี่หมายถึงอะไรเอาแบบสูงสุดเลยนะประโยชน์ตนคืออรหัตผลนะนะเพราะฉะนั้นถ้าปรารถนาประโยชน์ตนอย่างแท้จริงก็ต้องไม่ประมาทในเบญจกามคุณ ไม่ประมาทหมายถึงว่าไม่ใช่รักษากรรมมาไว้เป็นอย่างดีแต่หมายถึงไม่ปล่อยให้มีฉันทราคาในกามเรียกว่าไม่ประมาทในเบญจาการมคุณและสติให้เป็นเครื่องรักษาจิตคือสติเนรักษาจิตไม่ให้กามวิตกเกิดขึ้นในจิตไม่ให้อกุศลวิตกทั้งหลายเกิดขึ้นนั่นเองเพราะเหตุนั่นแหละเบญจาการมคุณแม่ของท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเคยสัมผัส ด, ด้วยใจมาแลว้ว ล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วจิตของท่านทั้งหลายเมื่อเกิดพึงเกิดในเบญจากามคุณที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยเช่นเดียวกันเนี่ยเพราะเหตุนั้นแหละเบญจากามคุณของท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเคยสัมผัส ด, ด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วท่านทั้งหลายปรารถนาประโยชน์แก่ตนพึงทําความไม่ประมาทในเบญจากามคุณนั้นและสติให้เป็นเครื่องรักษาจิต ก็คืออย่าให้มีการมวิตกในในกามคุณเนี่ยนะแล้วก็มีสติรักษาจิตสติที่รักษาจิตเนี่ยนะสติเป็นเครื่องห้ามกระแสบาปอากุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นสติที่จะห้ามได้ต้องเป็นสติที่เกิดร่วมกับสัมปชัญญะสติที่เกิดร่วมกับอธิศีลอธิจิตและอธิ ป, ปัญญานั่นเองเนี่ยนะก็หมายถ้าเป็นสติในสติเป็นเครื่องกั้นกระแสทั้งหลายเนี่ยสติเป็นเครื่องรักษา ไม่ให้กระแสบาปอากุศลเกิดหมายถึงสติที่เกิดร่วมกับวิปัสสนานี่นะทีนี้นั่นเป็นคำปรารอนะพะว่าควรจะเป็นอย่างนั้นเสร้ภพงค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าดูก่อนพี่สู่ทั้งหลายเพราะเหตุนั่นแหละอายตนะอันบุคคลจาต้องรู้ไว้นะจงต้องรู้อายตนะเอาไว้นะว่าจาักสุดับณนะที่ใดรูปประสัญญาก็สิ้นไปณนะที่นั้นอันนี้อายตนะนะอายตนะอันนี้คือ นิพพ า, านนะนิพพานนะว่าอายตนะอันบุคคลจำต้องรู้ไว้คือจักสุดับณที่ใดรูปประสัญญาก็สิ้นไปในที่นั้นอันนี้หมายถึงพระนิพพานนะหูดับณที่ใดสัทธสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นจมูกดับณที่ใดคันทสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นลิ้นดับไปณที่ใดระสาสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นกายดับไปในที่ใด โพธาภาสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นใจดับในที่ใดธรรมะสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นเนี่ยนีคือพระนิพพานเนี่ยนีก็ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยังไงเนี่ยถ้าดับตาหูจมูกลิ้นกายใจได้รูปสัญญาสาทธาสัญญาคันธัสัญญารัศสัญญาโพธาภาสัญญาธรรมะสัญญาก็ดับด้วยนะถ้าดับจากสูด้นี้เป็นอะไรนิโรศสัตว์นะพงตรัต่นิโรศสัตว์เสร็จแล้วพิสูจนเหล่านั้นก็มาคิดเอ๊ เนื้อความเนี่ยพิสดารเป็นยังไงที่พานนก็ตอบง่ายๆในหน้า207เนี่ยนะที่ว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระพุทธว จ, จะนะนั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาษิทหไม้เอาความดับแห่งอายตนะหข้อนนะก็คือไอความดับอายตนะคืออะไรคือนิพพานเนี่ยนะเพราะนั้นในหน้า209สามบรรทัดขึ้นบนเนี่ยนะ สาบรรทัดขึ้นบนหน้า2 0งศกล่าวว่าสลายตนะนิโรธังความว่าการดับสลายตนะเรียกว่านิพานอธิบายว่าท่านกล่าวไม้เอาพระนิพานนั้นจริงอยู่จักขวายตนะเป็นต้นและรูปประสัญญาเป็นต้นย่อมดับในเพราะพระนิพานนั้นเห็นไหมมันก็หมายถึงพระนิพานเนี่ยนะที่จะดับตาและดับรูปประสัญญาหรือว่าตาจะดับที่ใดรูปประสัญญาก็สิ้นไปนะที่นั้น น, นั่นคือพระนิพานนั่นไ จากนี้ก็ถามว่าทาไมนิพานไม่ค่อยอธิบายไว้มากในชะ่ไหมนี่แหละก็อธิบายได้เท่านี้ก็ไม่มีพวกสิ้นสิ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพระนิพานเนี่ยนะท่านนิพานในแง่นี้เนี่ยนะสําหรับท่านผู้ยังมีฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจยอย่างแรงกล้าติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสโภตภะอย่างแรงเนี่ยนะไม่ชอบถือว่าปฏิกูลสําหรับปุถุชนทั้งหลายแต่พภาริยะท่านบอกว่าดีมากแต่ สิ่งที่ปุตุชนบอกมันดีมากพารยาท่านบอกโอ้โหใช้ไม่ได้เนี่ยเนเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่ปุตตชนเกี่ยวข้องมันมีพิษมีภัยใช่ไหมสิ่งที่พารยะเพลิดเพลินนี่ไม่มีไม่มีโทษเนี่ยนะถามว่าท่านิพานกับพระราชาต่างต่างกันครับ ก็อรหัตผลนี่เป็นอาสังคตะธรรมเอ้ยอรหัตผลเนี่ยเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจิตเจตสิกที่เป็นผลของอรหั ต, ตมรรคส่วนพระ น, นิพพานเป็นอารมณ์ของอรหัตลผลมั น, น, น, น เ, ปเป็นยังไงนิรันดรของคุณคอ่ะมันไม่มีไม่มีจุดจอบอ่ะพรแล้วไม่ต้องไปคิดต่อแล้วขณะดนี้แนละ้ไปคิดเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันเห็นเเถอะ ก็เน้นพระนิพพานเนี่ยตาดับที่ใด้รูปประสัญญาดับที่นั่นคือคือในที่นี้เนี่ยจะต้องไม่มีสัญญาหกประการไม่มีรูปสัญญาสัทธสัญญาคันทาสัญญารสสัญญาโพธภาสัญญาธรรมะสัญญาปฏิเสธการรับรู้อารมณ์ทุกชนิดในโลกที่สัตว์รู้จักเนี่ยในโลกที่สัตว์รู้จักหมายถึงว่าถ้าตาดับได้เนี่ยมันจะเห็นอันนั้น คือหมายถึงตัดฉันทราคะในตาได้เนี่ยจะจะเห็นพระนิพพานแต่ทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าผู้ที่ยังมีชั้นทราคะในแรงกล้าในตาเนี่ยอย่าคิดเลยเพราะคิดยังไงก็คิดไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงถามว่าถ้าจะคิดคิดยังไงคิดว่าตาเนี่ยคิดโดยอาสาทะอาทีนะวะให้มอกถ้ายินดีที่จะออกจากตาเมื่อไหร่แล้วค่อยว่าอีกทีแต่ในขณะเดียวกันถ้าบอกตาก็เ อ, อ้ดีนะเนี่ยถ้าไม่มีตานะ้อดเห็นเลย ถ้าไม่มีหูก็อดฟังไม่มีจมูกก็อดรูก้กลิ่นหอ ม, หอมขนาดนี้นะอดหอมมะลิอดอมมอ ด, ดมกลิ่นหอมมะลิหน้าชื่นใจขนาดนี้นี่ถ้าไม่มีลิ้นหนะ้อาหารอรอ่ อ, รอยอร่อยเห็นปลาเ น, นี่เราไม่ได้กินหรอกถ้าไม่มีกายเนี่ยนะโพธิ์พะเนี่ยผ้าหอมดีๆอุ่นๆขนาดนี้ไม่มีโอกาสสัมผัสหรอกถ้าไม่มีใจนะเราไม่ได้มาคิดเรื่องราวเหล่านี้หรอกสา น, นวนว่าถ้ายังยินดีในตาหูจมูกลิ้นกายอย่างนี้อยู่ ไม่ใช่ฐานะเลยที่จะที่จะน้อมจิตไปเพื่อพระนิพพานหรือจะคิดพระนิพพานถูกเพราะว่าปุตุชนรู้ได้ไม่โดยที่สุดไม่ได้แม้แต่ฝันสวรรค์นเนี่ยฝันว่าเห็นสวรรค์ยังมีนะใช่ไหมแต่ฝันว่าเห็นพระนิพพานไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าฉันทราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันแรงกล้าเกินไปที่จะที่จะคิดสภาวะของพระนิพพานถูกพระปุตตชนเนี่ยนะถ้าคิดถึง พระนิพพานโดยที่ตัวเองยังตัดชันธราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ถ้าคิดนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งนะไม่เข้าอุเฉททิฏฐิก็ศาสตทิทิฏฐิเพราะจะคิดว่าเอาตัวเองเข้าไปสเสวยในในสิ่งนั้นเอาอัดตาไปสเสวยในสิ่งนั้นเพราะปุถุชนคิดยังไงก็ไม่พ้นกา ม, มาวิตกคิดถึงนิพพานด้วยอำนาจกา ม, มาวิตกจะไม่เข้าใจสภาวะของพระนิพพานทีนี้ถ้าผู้จะรู้พระนิพพานทํำยังไง เห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วความเข้าใจในพระนิพพานจะมีเองแต่ถ้าไปคิดค้นหาโดยที่ยังยินดีในสิ่งเหล่านี้อย่าคิดเลยถ้าคิดแล้วอ่ะจะเข้ามิจฉาทิฐิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียกว่าถ้ายังไม่เห็นพิษภัยของตาหูจมูกลิ้นกายใจนะดีที่สุดคืออย่าพึ่งคิดถึงพระนิพพานคิดถึงโทษของสิ่งเหล่านี้อย่างเดียวก็พอ แล้วนิพานคุณเป็นยังไงัา ก, การบอกห้ามคิดอ่ะห้ามถึงนิพานก็ยังไม่รู้จักเ้วไปคิดถึงทำอะไรใช่ไหมโอ้โหดีมากอะไรดีไม่รู้สุขมากอะไรสุขก็ไม่รู้คือถ้าคิดยังไม่รู้นะถ้าคิดต่อไปไมันได้ประโยชน์อะไรคิดในสิ่งที่เราโอ้โหดีมากเยี่ยมประเสริฐสูงโอ้โหดีจริงๆอะไรอ่ะที่ว่าไม่รู้ ก็ต้องใครคิดเรื่องนี้เนี่ยนะก็ต้องเอายากล่อมประสาทไปกินแล้วเพราะคิดในสิ่งที่ตนเองไม่รู้เนี่ยนะไม่ใช่วิสัยเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระนิพพานเนี่ยไม่อยู่ในวิสัยแห่งการมวิตักกะจะคิดได้เียนะเอากามมิต ก, กะคิดถึงสีเสียงกลิ่นรสแล้วไปเปรียบกับนิพพานไม่ใช่ฐานนะแต่ในขณะเดียวกันก็บอกเออนี่ไงเขาไม่ให้คิดอะ ก็เลยเจริญนิปั ส, สนาจะไม่คิดอี ก, กันนะจะไม่เจริญสัมมาสังกัไปคนละเรื่องกันเลยนะห้ามเอามาปนกันเด็ดขาดนะนะสมควรกันเวลานะ